บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดเรื่องอายตนะคือว่าด้วยตาเห็นรูปหูกฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดมรสกายถูกต้องเย็นร้อน่นแข็งและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ในกรณีที่ เมื่อสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วกิเลสบังเกิดขึ้นทรงสอนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้บุคคลเพียงพยายามลดละความรู้สึกที่เป็นอาการของกิเลสเหล่านั้นออกไปในกรณีที่ยังไม่เกิดก็ทรงสอนให้พยายามป้องกันไว้ในกรณีที่เกิดแล้วก็สอนให้พยายามลดหลั่ แต่ว่าประเด็นสำคัญจะต้องรู้เห็นตามความจริงว่าในขณะนั้นๆอาการของกิเลสข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเป็นการมองในแนวของการสืบสาวออกไปถึงสาเหตุที่เกิดของกิเลสข้อนั้นๆเพื่สังเกตว่าโดยปกติแล้วจิตใจของคนเราไม่ได้ถูกกรุ่มรุมด้วยกิเลสตลอดเวลา มีเป็นอันมากที่มีธรรมะคุ้มครองใจมีธรรมะเป็นเรือนใจจิตใจก็มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นตามสมควรแก่ฐานะขัามการเกิดของกิเลสตามปกติแล้วจะมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกโดยการได้เห็นโดยการได้ยินโดยการสูดดมโดยการลิ้นโดยการจับต้องแล้วก็ใจเป็นเหนีวดึกตรึกนึก ไ, ไปกำหนดหมายเอา่าเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังความหลงอาการของความรักความชังความหลงก็บังเกิดขึ้นซึ่งอาการเหล่านั้นเองบางครั้งเราจะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองเช่นบุคคลคนหนึ่งเคยกระตุ้นให้เราเกิดโทสะ ต่อมาเขาประพฤติปฏิบัติดีมีสัมมาคา ร, ระวะมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อต่อเราโทสะมันก็จางลงจางลงจนกลายเป็นความสนิทสนมความรักความเมตตาความผูกพันความเยื่อใยแต่ต่อมาเขาก็ทำอะไรให้เราเกิดไม่พอใจอาการความรักความเมตตามันก็ลดลงไปอีกแต่ในจุดนี้ถ้าเรามองอีกระดับหนึ่ง หมาความมาธรรมะเป็นหลักใจมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแทนที่ใจจะแกว่งไปตามการกระทำของเขาคือด้วยความรักความชังโดยอาศัยการกระทำของเขาเป็นหลักเมื่อจิตใจเรามีเมตตาต่อเขาแม้ก็จะทําอะไรผิดปกติไปซึ่งตามปกติแล้วอาจจะเกิดความโกรธแต่ด้วยพลังของเมตตาที่มีกําลังมาก มันก็สลายความโกรธเหล่านั้นออกไปได้การกระทำบางอย่างที่สร้างความคุณคล้องมองใจเกิดขึ้นก็รู้สึกอดทนได้รู้สึกอาภัยได้หรือบางครั้งเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพราะการกระทำไม่ดีเหล่านั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะทำไม่ดีตอบเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยใจก็ไม่คิดในแง่ของกรร คนเรานั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วตอนนี้เขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเ้าก็เป็นคนชั่วเขารับความทุกข์ความเดือดร้อนเรายังไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะเราจะเห็นถึงอีกด้านหนึ่งว่าด้วยพลังของธรรมะที่บุคคลเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นภายในใจนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามสามารถที่จะสลายกิเลสให้เจอจางบาบางลงไปได้ทั้งนั้นเช่นในกรณีของเมตตาดังกลัาคนกระทําให้เราเกิดความไม่ชอบไม่พอใจหรือเกิดความโกรธแต่เพราะเมตตาในตัวของเขาเราก็อภัยเราก็อดทนก็ไม่ถือสาความ ในบางครั้งมีอารมณ์มยั่วยให้เกิดความรักความหลงไหลความคลั่งคลาอยากได้แต่เพราะความเมตตาต่อตอนเองเห็นว่าถ้าปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่มีการยั่วยวนกันอยู่อย่างนี้ในที่สุดเราก็วิ่งไล่ความอยากกันไม่มีที่จบที่สิน้นกลายเป็นทาดของตันหาเป็นทาตของอารมณ์ที่ไม่อาจจะตอบสนองให้เต็มให้อิ่มไม่พอได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือบางครั้งความเมตตาที่มีตัวต่อคนคนนั้นเองมันจะทำหน้าที่สลายรูปราคาออกไปได้แต่จะมีความรู้สึกเมตตาเป็ความรู้สึกชันนญาติชันพี่ชันน้องเราจะเห็นว่าจะไม่มีอาการของราคะอยู่ดังนั้นปริมาณของธรรมะมันก็ทำหน้าที่สลายกิเลสประเภท โลภะหรือประเภทราคะได้แมกิเลสประเภทโมหะคือกิเลสประเภทหลงมีอารมณ์มายั่ยั่วยดนั้นส่วนมากจะเกิดรักชังแต่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความหลงนั้นจะมีเป็นอารมณ์ที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรสาเหตุมันมาจากไหนมีผลเป็นยังไงมีอาการเป็นยังไงเราไม่เข้าใจ อาการของความหลงก็เกิดขึด้นไม่จะออกมาในรูปของความเครือดแครงสงสัยไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่และในที่สุดต้องก็ะดมมาคิดฟุ้งซ่านจับหลักยังไม่ได้ปากใจลงไปยังไม่ได้ในส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่คิดถึงเรื่องเหล่านั้นเราคิดไปก็ไร้ประโยชน์ไม่สามารถจะพบเจอได้ หรือบางครั้งอาศัยเมตตาต่อตัวเองที่มากระตุ่มรุ่ ม, ร, มร้อนเพราะเรื่องร้ายสาระอย่างนี้ก็เพื่อต้องการขจัดปัดเป่าปัญหาความเครืรอร่ายสงสัยเหล่านั้นเราก็ไปสอบถามคนที่มีความรู้ความเข้าใจก็ขจัดความหลงตรงนี้ออกไปได้นี่แสดงว่าธรรมะที่มีเมตตาเป็นฐานก็สามารถขจัดกิเลสได้ทั้งสามประเภทหรือแม้แต่จะใช้ข้ออื่น จะยกตัวอย่างเราใช้ศรัท ธ, ธาโดยใส่ความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในหลักในหนักแน่นมั่นคงจริงๆคือเชื่อในพระพุทธเจ้าตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมนั้นต้องมีการศึกษาค้นคว้าพินิพิจารณาจึงเกิดความเชื่อได้แต่ถ้าเราจับที่พระพุทธเจ้าไว้ได้ ก็ถือว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคำนองอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเรารับประทานยาเราเชื่อหมอไม่ใช่เชื่อยาแต่เมื่อหมอสั่งยามาเราก็พร้อมที่จะรับประทานความเชื่อในพระสงค์นั้นถ้าจับหลักไม่แน่นคือไปมองพระสงค์ปุถุชนทางหลายคือพระสงค์โดยทั่วไปบางครั้งใจก็แว่งได้ แต่จะมองไปที่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรสามสังฆคุณเรียวสวดสาธยายกันศรัทธาก็หนักแน่นใดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปเจอกับคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างนั้นใจเราก็วินิจฉัยตัดสินได้ว่าท่านไม่ได้เข้าถึงคุณสมบัติของความเป็นพระสงฆ์ท่านเป็นพระก็โดยชื่อ แต่เราก็ไม่ไปคิดในแง่บวกหรือแง่ลบ ก, กับท่านหมายความว่าไม่ได้คิดด้วยความโกรธความมาคาดพยาบาทแต่จะคิดด้วยความสงสารที่ท่านเป็นกอท่านอย่างนั้นเพราะเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็ประสบผลกรรมของท่านใจมันก็ไปจับอยู่ที่หลักของกรรมธอวกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน สมมติว่าท่านปฏิบัติดีพิเศษยังไงก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติดีเราก็ไม่ได้อะไรเพราะาผลจากการปฏิบัตินั้นมีลักษณะเหมือนกับการอ่านหนังสือเหมือนกับการรับประทานอาหารเหมือน ก, การสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนนั้นใครอ่านคนนั้นก็รู้ใครรับประทานอาหารคนนั้นก็อิ่มใครรับประทานยาคนนั้นก็หายโรคใครสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปสุขภาพพลานามัยก็ดี ถ้าคนอื่นต้องการอย่างนั้นด้วยมันก็ต้องทำเ อ, เองต้องอ่านหนังสือเองต้องรับประทานอาหารเองต้องรับประทานยาเองต้องสูดอากาศประซุ์เข้าไปเติมกระบวนการของกรรมที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วใจก็ไม่เอื้มไปวุ่นวายไปเดือดร้อนก็นเรื่องของคนอื่นต็มในปัจจุบันนั้นเราจะสังเกตได้ว่ามีอาการที่ผิดปกติเอามากๆ แล้เกิดขึ้นค่อนข้างแพร่หลายแล้วมักจะประรบการกระทําไม่ดีของบุคคลอื่นไปด่าว่าไปซ้ําเติมไปสบประมาทไปดูหมินเขาให้หนักยิ่งขึ้นที่จริงการกระทําอย่างนี้ก็คือแนวที่ว่าคนล้มแล้วเราก็ขับซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะจริงๆถ้าเขาเป็นอย่า ง, งานั้นเขาก็ประสบผลกรรมของเขาแล้ว เรายังไม่ได้กระทำกรรมชั่วเราจะไม่ได้ผิดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของเขาแต่ถ้าเราไปซ้ําเติมไปด่าว่าไปแสดงอาการขัดเคืองโกรธแค้นต่อเขาก็แสดงว่าเราก็ทํากรรมแนวเดียวกับเขาซึ่งจะตะ้องรอบผลกรรมอย่างที่เขาได้รับลักษณะเหมือนอะไรลักษณะเหมือนสิ่งที่เราเรียกว่าสมโจรรับของโจร ที่จริงโจรที่ลักที่ขโมยของมานั้นเขาก็เป็นโจรถูกตํารวจจับได้ก็ต้องถูกจับกุมคุมขังแต่ติดคุกติดตารางไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไมไ่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาในขณะนั้นเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปรับซื้อของโจรก็แสดงว่าเรากระทํากรรมเช่นเดียวกับเขาคือสนับสนุนเขา เมื่อตำรวจจับได้สืบสาวไปก็มาถึงเราด้วยเพราะนั้นประเด็นที่สำคัญถ้าเราไม่ไปรับของเขเข้ามาเราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่การที่เราต้องเดือดร้อนเราถูกจับกุมด้วยก็เพราะเราไปรับของเข้ามาการกระทำความชั่วของคนอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถือถ้าเราไปทำชั่วตามกับเขาเราก็จะเดือดร้อนอย่างที่เขาเดือดร้อน แต่ถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมตัว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปต่างคนต่างก็จะเป็นไปตามกระบวนกรรของตนดังนั้นเราจะพบว่าจุดของความเชื่อชี้มั่นคงอยู่ในพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมต่อมาถึงพระธรรมประสงค์แล้วก็เชื่อมั่นในองค์ธรรมทั้งหลายอย่างในกรณียกตัวอย่างมากก็คือเชื่อมั่นในกฎของกรรม ด้วยพลังของศรัทธาที่เราเพิ่มขึ้นภายในจิตใจศรัทธามีลักษณะเย็นศรัทธามีลักษณะสงบศรัทธามีลักษณะสว่างคือเป็นรัศมีท่านสาธุชนหลายลองสังเกตดูว่ายามใดที่เราเข้าใกล้คนที่เราศรัทธาจิตใจเราจะสงบเราจะเย็นเราจะโปรง่งเราจะเบา ไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนไม่เล่าร้อนแม้เดือดร้อนมาเล่าร้อนมาแล้วจะค่อยๆสงบเมื่อเข้าใกล้คนที่เรามีศรัทธาแสดงว่าพลังของศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรานั่นเองทําหน้าที่กำจัดอาการเหล่านั้นออกไปอาการเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นทุกข์แต่มันสืบเนื่องมาจากกิเลสเมื่อเราขาจัดกิเลสไปได้ อาการความร่าร้อนมันก็สงบตามไปดันสัทธาที่บังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่กระจัดความไม่เชื่อแล้วเมื่อมีกำลังมากขึ้นก็จะขจัดความเคลือบแคลงสงสัยความเคลือบแครงสงสัยที่ถูกกระจัดออกไปนั้นทำให้จิตใจมีความมั่นคงไม่วอกแวกมันเหมือนกับ น, นักเรียนนักศึกษาที่ตอบคำถาม ตอบข้อสอบต่างๆเมื่อเราไม่สงสัยเราก็เขียนได้ทันทีกีดได้ทันทีทำได้รวดเร็วสแสดงว่าในจุดนั้นขณะนั้นเราก็จัดความสงสัยไปได้ซึ่งอา จ, จะาะยาใัยความรู้ในเรื่องเหล่านั้นหรือใสยความเชื่อมัน่นในสิ่งที่ตนศึกษาในสิ่งที่ตนจำทรงมาสามารถตัดสินนิจฉัยได้ในขณะนั้น น, น แ้่เมื่อเขามีกำลังมากขึ้นมันจะเป็นการปรารลบัวบุคคลวันใครก็ตามที่เรามีความเคารพศรัทธาจะทำให้เราพร้อมที่จะเสียสละช่เหลือเกื้อกูลท่านให้ท่านบำรุงท่านถวายท่านก็แล้วแต่บุคคลเหราท่า น, นซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้จิตใจก็จะอ่อนโยน มันไปขจัดโทสะที่ตัวคนหมายความว่าคนนั้นเราไม่โกรธเขาแล้วขจัดมัจริยะคือความสนิความโลภในวัตถุความสนิในวัตถุซึ่งเราจะให้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้ น, นจากการปัญญาที่ตรวจสอบพินิพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้และโทษของการไม่ให้ แสดงว่าพลังศรัทธาที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ทําหน้าที่กระจัด ก, กิเลสหมดทั้งสามกองคือสงบไม่ถึงก็หมดสิ้นเชิงแต่ถือว่ากิเลสก็สงบลงไปในตัววัตถุเราไม่มีความสนีไม่มีความโลภเฉพาะกรณี น, นั้นในกรณีคนเราไม่มีความกลัเพราะเกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบพินิจพิจารณา และจากที่เราไม่โกรธนั่นเองจิตที่มีความรู้สึกต่อคนนั้นมันก็กลายเป็นศรัทธาบ้างความเคารพ บ, บ้างความนับถือบ้างจงรักก็ดีบ้างหรือแม้แต่ความรักทึ้งแต่ละอย่างนั้นเราก็ให้ได้ทั้งนั้นและในความไม่โลภในความไม่สนิทนั่นเองมันกระจายตัวเองออกไปเป็นคุณภาพของจิตปัญญาที่มีความสงบเย็นเพิ่มขึ้น จนถึงกระจุดหนึ่งในตัวคนที่เราศรัทธานั่นเองเราไม่โกรธและนอกจากไม่โกรธจะมีความรู้สึกเมตตาจะมีความรู้สึกศรัทธาจงรักภักดีดังกล่าวเราเห็นว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมากธรรมะในภาคปฏิบัตินั้นจึงเป็นวิธีหนึ่งแต่นึกถึงวิธีธรรมชาติทั้งหลายรประเด็นสำคัญขอให้มีจุดเริ่มต้น แล้วต่อไปนั้นจะบังเกิดขึ้นติดตามมาทำนองกับการปลูกพืชประเด็นสำคัญอยู่ใน ป, ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราต้องการผลต้องการดอกต้องการใบต้องการกิ่งของพืชชนิดนั้นแต่ว่าเวลาปลูกเราไม่ได้ปลูกใบปลูกกิ่งปลูกดอกปลูกผลเราปลูกเฉพาะมเมล็ดหรือว่าที่ตอนก็เอากิ่งมาแต่ที่เราต้องการนั้นเราต้องการดอกเราต้องการผล สิ่งเหน่นั้นเราปลูกอไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะเอามาเล็ดมาเพาะเอาหัวมาเพาะเอากิ่งมาเพาะได้เพราะสิง่งนั้นเกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็เกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นไม่จะมีการจำแนกแสดงโดยปริยายต่างๆไว้เป็นอันมากก็เพื่อสะท้อนภาพเต็มที่ในเชิงปริยัตให้ดู แต่ในภาคภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นวิธีธรรมชาติทำนองเดียวกับเรารับประทานอาหารเราพูดแค่รับประทานอาหารบางทีเราถามว่าอิ่มหรือยังบางทีเราก็ถามว่ากินข้าวหรือยังโดวยวชัวรนี่กินข้าวในคำว่ากินข้าวนั่นเองที่จริงเราก็กินอะไรเยอะแต่ก็ใช้คำคำเดียวคือ ก, กินข้าว แล้วในกระบวนการของการกินข้าวก่อนที่จะเป็นข้าวมาได้กินมันก็มีกระบวนการอยู่แยะเบื้องหลังแล้วพอรับประทานไปแล้วพอกินไปแล้วมันก็เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปจากการกินโดยไม่จำเป็นจะต้องไปพูดอะไรมันเช่นไรเช่นอาการของความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นเรยวแรงเพิ่มขึ้นอัตตั้งจุดหนึ่ง อาการความหิวหมดไปความหิวหมดไปความอิ่มเกิดขึ้นได้แรงเกิดขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจการงานจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนที่นี้พูดไปได้มากมายร้อยสีพันอย่างถามมาตรงนั้นถ้าหิวนี่ทําได้หรือเปล่าก็ทําไม่ได้แล้วแต่เพราะเราเริ่มที่รับประทานอาหารไปแล้วในสุดกระบวนการทุกขั้นตอนมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องหนุนกันไปไม่ขาดสาย มันขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหิวด้วยเชินว่าการไม่สามารถจะทํางานความหิวโหยความ อ, อดเปรียปร้ยวแปรแรงความหงุดหงิดโมโหหิวอะไรต่างๆมันหายไปหมดแต่จริงเงเริ่มจากการกินและสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการกินธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นเราจับเพียงข้อใดข้อหนึ่ง แล้วจะมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลซึ่งการละกันทยอยกันไปเป็นสมดุลธรรมะเท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยการคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้คล้ายๆกับเรานั่งดูต้นไม้เราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดสืบเนื่องกันไปในจุดนั้นที่มีใบเนี่ยเราถามว่าถ้าไม่มีกิ่งมันจะเกิดได้หรือเปล่า พอมองไปที่กิ่งเนี่ยถ้าไม่มีต้นมันจะเกิดได้หรือเปล่าพอมองไปที่ต้นเนี่ยถ้าไม่มีรากมันจะเกิดได้หรือเปล่าพอมองไปที่รากถ้าไม่มีเม็ดมันจะเกิดได้หรือเปล่ามันจะเป็นกระบวนที่เราเห็นว่าสาวกลับไปกลับมายจะได้เพราะวิธีธรรมะมันก็แนวธรรมชาติจะตัวอย่างที่พูดถึงการรับประทานอาหารนั้นพระเจ้าทรงอุปมาเห็นว่า ความหิวนั้นที่จริงก็เหมือนกับความทุกข์หรือว่าทุกข์กระสับเหตุที่เกิดความหิวก็เหมือนกับสมุทัยสัตความอิ่มก็เหมือนกับนิโรธสัตว์การกินอาหารก็เหมือนกับมรรคสัตว์นั้นพอเรากินอาหารแล้วกระบวนการทางริยศาสตร์ทั้งหมดก็ขยเยื่อนหมดในส่วนเหตุที่เกิดทุกข์กับความทุกข์ก็เริ่มลดลง เพราะอะไรเพราะเหตุที่เกิดสุขมันเพิ่มขึ้นไอ้ตัวความสุขก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวความสุขก็เพิ่มขึ้นนั่นเองก็ทําหน้าที่ลดตกความสุขไอ้ตัวเหตุแห่งความสุขก็ทําหน้าที่ลดเหตุแห่งความทุกข์พอเหตุแห่งความทุกข์หมดตัวความทุกข์เองก็หมดความสุขก็เกิดขึ้นเต็มที่เป็นกระบวนการอะเรสัต ครบหมดทั้งสี่ประการในขณะเดียวกันคือต่อกันไปเป็นแถวดนเนื่อเวลาพูดโดยสรุปบางครั้งเราจึงพบว่าพราะพเจ้าทรงใช้คำเป็นคำเดียวเช่นบุคคลสามารถข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้เพราะศรัทธาหมายความยังไงหมายความให้พลังเราศรัทธาเขาเพิ่มพูนขึ้น ก็เสริมสร้างตัวเขาเองเข้มแข็ ง, แ, ขงแล้วก็ดึงสิ่งที่เป็นพวกเดียกับเขาติดตามมาให้ลองสังเกตเช่นเอาความรักก็ได้อาการเดียก็ศรัทธาเช่นเรารักนายก่อคนนี้เป็นญาตินายก่อเราก็รักในฐานะญาตินายก่อคนนี้เป็นพ่อแม่นายก่เราก็รักในฐานะพ่อแม่นายก่อคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงมันก็รักกันไปเป็นแถว ต่จุดเริ่มต้นที่จริงเราโดยอยู่ที่รักในก่อนจิตมันปกแผ่ขยายออกไปโดยลาดับและในความรักนั่นเองเราพร้อมที่จะเสียสละเราพร้อมช่วย่วยเหลือสละแรงกายแรงความคิดกำมังทรัพ เ, เวลาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นพร้อมจะกั้นพร้อมที่จะอดทนต่อการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลเหนั้น ตาบเท่าที่ใจิตใจเรายังมีความรักต่อคนเรานั้นอยู่ลักษณะของศรัท ธ, ธามันก็เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นถามพวกน้ำคือกิเลสนี่คืออะไรท่านบอกว่าพวน้ำคือกิเลสคือกามได้แก่ความใคร่แหน่งงทั้งหลายถึงแต่าหากาเราศรัท ธ, ธามันก็เปลี่ยนเป็นความเมตตาเป็นความศรัท ธ, ธาเป็นความรัก เป็นความเสียสละมันไม่ไหลไปตามกระแสของกาลแล้วพระโวคะโวคะคือพบคือความมีความเป็นเมื่อเราขจัดกิเลสเป็นเหตุต้องมีต้องเป็นพบมันก็หายไปโวคะคือวิชาอธิธโธคะโวคะคือทิฏฐิคือความคิดเห็นเพราะว่าแม้บางอย่างเนี่ยเราจะไม่มีความเห็นสมบูรณ์แเราก็ใช้ความเชื่อเอา เชนไรเช่นเป็นการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เราก็ไม่เคยไปนรกสวรรค์ถึงเคยไปเราก็จําไม่ได้แต่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องความมีอยู่ของนรกสวรรค์ไว้เราก็ไม่ดื้อรัน้นไม่ไปถือว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นก็เรื่องนี้คนรู้คนเห็นเขามีเขาบอกเราก็เชื่อตามนั้นและทิฏฐิที่ดื้อรัน้น ต, ต่างๆก็ลดลงไปจะถึงไปขจัดตัวอวิชชาได้ ดังนั้นโดยจึงพบว่าพระอริยบุคคลระดับโสดาบันนั้นท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในใจสิกขาอย่างนี้มันก็เดินหน้าได้ตลอดครับหรือบางทีทรงแสดงแค่คำเดียวมังกันกว่าสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลก ่าทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามก็มีสติระลึกรู้ทันอยู่ตลอดความเผลอเรอความพลั้งพลาดความหลงลืมความเลอะเลือนต่างๆซึ่งมีอยู่โดยปกติภายในใจของคนมันจะค่อยๆลดลงไปจนถึงก็มีสติอยู่กับตัวตลอด ในลักษณะการมีสติอยู่กับตัวตลอดนั้นจะเอาอะไรละจะเอากินอาหารเทียว เ, เคียงการกินอาหารก็ได้มีสติก่อนที่จะตักในขณะที่ตักอาหารในขณะที่นาอาหารเข้าปากในขณะที่เคี้ยวเราก็มีสติอยู่ตลอดติดตามว่าไปตักติดกล้างมา ในขณะที่นาอาหารเข้าปากสติเราลึกรู้ว่ามีก้างเราก็ออกสมมติสติขาดตรงนั้นตอนเข้าไปในปากพอเริ่มเคี้ยวกระทบก้างเราก็รู้มันไม่ถึงกับกลืนกันไปเพราะมีสติไปกํากับอยู่ทุกขั้นตอนของอาหารในกระบวนการของอาหารหรืออาจจะพูดถึงการขับรถบนถนนนั้นมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ แต่เรามีสติกำกับอยู่ทุกขณนะถึงตรงนี้ทำอย่าง น, งง น, งงนี้ถึงตรงนี้ทำอย่างนี้ถึงตรงนี้ทำอย่างนี้สติเราลึกรู้ทันตลอดแม้จะมีอุปสรรคหลุมบ่อขวากน้าสัตว์ต่างๆจะข้ามถนนแต่เราขับจะมีสติตลอดอุบัติภัยต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแก่คนก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เร จนถึงก็ดูสภาพจิตใจในแนวของอายตนาปภะที่กล่าวมาโดยจำรับนั้นเพือสังเกตว่าสติก็ระลึกว่าตอนนี้เกิดโทสะนะตอนนี้เกิดราคะนะตอนนี้เกิดสงสัยนะตอนนี้เกิดดื้อรั้นเกิดชิดจิตนะตอนนี้เกิดฟุ้งซ่านตอนนี้เกิดถือตัวมันรู้ทันรู้ทันแล้วมันรู้โทษด้วยรู้ทันรู้โทษแล้วก็ขจัดสิ่งเหล่านั้นออก จนถึงกับสติที่มีความสมบูรณ์เพราสติสมบูรณ์มันก็กลายเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วคือไม่ใช่สามัญชนไปแล้วเพราะตามปกติแล้วสามัญชนนั้นสติไม่ขาดก็บุญแล้วแต่ให้มีสติต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หวังก็ต้องฝึกฝึกเสริมสร้างสติอย่างแนวปฏิบัติกรรมฐานก็คือแนวเสริมสร้างสติแนวกรรมฐานทั้งหมดอ่ะที่จริงแล้วก็เป็นแนวเสริมสร้างสติ จะระลึกดูลมหายใจเข้าออกก็เสริมสติว่ขนาดสามารถระลึกตามลมไปได้ตั้งตอนขาเข้าข า, ขาออกได้เนี่ยก็แสดงว่าสติก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่ฝึกหม่ไวันงทีก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันดังนั้นธรรมะปฏิบัติมันเป็นพืชของธรรมะที่พร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขาดึงอะไรตัวมีอะไรออกมาแล้วก็จัดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกไป อ, อ, กไปอีกเป็นจํารวดมาก ประเด็นสำคัญส่งสอนให้บุคคลตั้งอยู่ในธรรมส่วนจะตั้งในข้อใดนั้นขอให้เริ่มต้นที่ข้อใดก็ได้แล้วเมื่อธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะดึงดูดธรรมะเราอื่นเพิ่มขึ้นติดตามมาก็าจัดริงนี้ตรงกันข้ามออกไปความทุกข์ก็จะลดไปความสุขก็จะเพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป